ต่อไปขึ้นข้อ3าฉัถีวิพัฒในอัตติยาแปลว่าด้วยแปลว่าโดยเป็นฉัถีวิพัฒ์แต่ให้แปลเป็นตัติยาวิพัตน์ดูตัวอย่างข้อหนึ่งปุปภัสสะพุทธังยะชะติยะชะติย่อมบูชาพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าปุปภัสสะด้วยดอกไม้ ดอกไม้เนี่เป็นเครื่องบูชาจึงจําเป็นจะต้องแปลเป็นตติยาเพราะตะติยาเนี่ยอาจว่าการณะหรืออุปการณะแปลว่าเครื่องช่วยในการทำการทำกิริยาบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ถ้าไม่แปลอย่างนั้นนะจะแปลว่าบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าแห่งดอกไม้หรือของดอกไม้ก็จะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นของดอกไม้ไปไม่ใช่แล้วก็ยะชะธาตเนี่ยนะบังคับเอาไว้เลยนะยะชะธาตุเนี่ยอาจว่าบูชาเนี่ย เครื่องบูชาจะต้องลงชัถีวิพัฒน์ลงตัทิยาไม่ได้จะไม่เป็นปุบเพนะพุทธังยะชติบาลีไม่มีใช้ต้องลงชัถีอย่างนี้เลยเป็นของยะชาธาตุเลยถ้าที่มีอาจว่าบูชาอั น, น, นตังพุทธังอภิปูเชมินนั่นปูชาธาตุโดยน้ยะชาธาตุ บูชาซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ข้อ2องคัตตสอคิงชูโหติชูโหติก็แปลว่าบูชาเหมือนกันชูโหติย่อมบูชาอคิงซึ่งไฟคตัสด์ด้วยน้ํามันด้วยน้ํามันน้ํามันนี้มาจากน้ํามันพืชน้ามันสัตว์ก็ได้คตะเน่นะคาตาน้ำมันพืชก็เช่นน้ํามันมะพราะ้าว น้ำมันจากเมล็ดถั่วต่างๆถ้าน้ำมันสัตว์ก็เช่นน้ำมันหมูน้ำมันจากไขสัตว์เนี่ยน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์คาตาเนี่ยนะแปลว่าน้ำมันไม่ใช่ตัิยาตรงในอัจฉริอัจฉริแปลเป็นตัดิยานนใช่ธาตุบังคับธาตุบังคับ บ, บูชาไฟด้วยน้ำมัน ก็คือใช้น้ำมันเป็นเครื่องบูชาไฟนั่นเองเวลาเราไปเติมประทีปอย่างนี้นใช่ไหมเติมน้ำมันที่ประทีปไปตามวัดต่างๆนี่นนแหละคือต at uh ัตตสักิงชุโหติข้อสปัตังโอทนัสสะปูงเรตวาปัตตังแปลว่ายังบาดปูงเรตวาให้เต็มแล้วยังบาดให้เต็มแล้ว โอธนัสด้วยข้าวเอาข้าวใส่บาทจ น, นเต็มทำบาทให้เต็มด้วยข้าวตติยาไม่นิยมตติยาไม่นิยมใช้เป็นชัถีอันนี้แล้วก็แปลเป็นตติยาข้อ4อิมะเมวกายังปูงรังนานบปการรสะอสุจิโนปัจเวคคติอันนี้จากบาลีนะ ท่านบอกว่าปัจจเวคติย่อมพิจารณาเห็นย่อมพิจารณาเห็นปัจจเวคติเนี่ยเหมือนกับคำว่าปัจจเวคขณะการพิจารณานั่นเองปัจจเวคติย่อมพิจารณาเห็นเห็นอะไรกายังซึ่งร่างกายอิมังเอวะอิมมิวะะอิมะเมวะเนี่ยแปลตัดมาเป็นอิมังเอวะ นี้นั่นเทียวซึ่งร่างกายนี้นั่นเทียวปัจจะเวคติย่อมพิจางกรณาเห็นอิมะเมวกาหยังซึ่งร่างกายนี้นั่นเทียวปู ง, ปงรังอันเต็มปูงรังอันเต็มอันเต็มเต็มเต็มเต็มเปี่ยมอันเต็มอสุจิโนด้วยของไม่สะอาด ด้วยนะด้วยด้วยของไม่สะอาดนานับประการรัศประการต่างๆประการต่างๆด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆด้วยของไม่สะอาดหลายประการย่อมพิจารณาเห็นร่างกายนี้นั่นเทียวอันเต็มด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆวิเศณอาซูจิโนโ ถสุจิเนี่ยแปลว่าสะอาดถ้าอาสุจิแปลว่าไม่สะอาดส่วนโนนี่เป็นฉัตถีวิพัสสะเป็นโนจริงๆศัพท์เดิมคืออสุจีแล้วก็สะเป็นโนแล้วก็ละสะอีเป็นอีกก็เหมือ น, กนเกษตรฐีก็เป็นเศรษฐิโนเหมือนกันต่อไปข้อ5มาวะมันเยทะปาปัสสนะมัดตังอาคามิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทกุมโพปิปูงรติ ปูงรติภาโลปาปัสสะโธกังโธกังปิอาจินังตรงไหนเป็นสนธิบ้างลองดูสิมาวะมันเยทะตัดเป็นมาบทหนึ่งอะวะมันเยทะบทหนึ่งเอทะสัตตมีวิพัตต์อะเอยะเอยุเองเอยาสิเอยาถะเอมิเอมะแล้วก็เอทะเอรังเห็นไหมเอทะตัวนั่นแหละ มาแปลว่ายาอาวะมันเยถะแปลว่าดูหมิ่นดูถูกดูถูกดูหมิ่นมาวะมันเยถะแปลว่ายาดูหมิน่นปาปังไอป้าปัสสะป้า ป, ปัสสะซึ่งบาปปาปัสสะซึ่งบาปยาดูหมิ่นซึ่งบาปว่า ณมัดตังอาคามิสติมัดตังบาปบอันเล็กน้อยบาปอันมีประมาณน้อยบาปนิดๆหน่อยๆมัดตังน่แปลว่าเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยมัดตังเพียงเล็กน้อยณอาคามิสติจกไม่มาถึงจกไม่มาถึงณนะอาคามิสติจกไม่มาถ้าแปล ง, ง่ายๆอ่ะ จะไม่มาจกไม่ถึงจกไม่มาถึงอย่าดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจะไม่มาถึงต่อไปอุทพินทุนิปาเตนะเป็นสามศัพท์เข้าสมากันอยู่อุทะแปลว่านา้ำพินทุแปลว่าหยดแปลว่าหยาดนิปาเตนะแปลว่าตกลง อุทะพินธุนิปาเตนะแปลว่าด้วยหยาดแห่งน้ําอันตกลงด้วยหยาดแห่งน้ําอันตกลงด้วยหยดน้ําอันตกลงทีละหยดความหมายอุทะกุมโพปอ่ะด้วยหยาดแห่งน้ําที่ตกลงด้วยหยาดแห่งน้ําที่ตากไอที่ตกลงนิปาตาแปลว่าตกลง อุทกุมโพปิอุทะก็แปลว่าน้ําเหมือนเดิมกุมโพแปลว่าหม้ออปิแปลว่าแม้อุทกุมโพปิแม้หม้อน้ำแม้หม้อน้ําปูงรติย่อมเต็มปูงรติย่อมเต็มปูรติทั้งสองปูรติเลยย่อมเต็ม ต่อไปพาโลแปลว่าคนผ่านพาโลคนผ่านปาปัสะแปลว่าด้วยบาปตัวนี้แหละเป็นฉัตถีที่แปลเป็นตติยานละปาปัสะด้วยบาปคนผ่านย่อมเต็มด้วยบาปโถกังสองโถกังแปลว่าทีละน้อยทีละน้อยก็แปลว่าน้อยน้อยอ่ะ โถกังโถกังปีแม้ทีละน้อยทีละน้อยอาจินังแปลว่าสังสมอยู่อาจินังคืออาจินันโตนั่นเองอะนะมาจากอาจินันตะบวกสิก็เหมือนคัดฉังอ่ะจำได้ไหมเป็นศีษฐธมาวิพัฒน์อาจินังอาจินังแปลว่าสังสมอยู่ มาจากอาปุพะอาบทหน้าแล้วก็จิทาจิเะเยในการสะสมนะแล้วก็ณนะเป็นวิพัฒน์เป็นนาวิพัฒน์อาจิณนะเราลงอันตะปัจจัยเป็นปัจจุบันแปลว่าอยู่แปลว่ากําลังอาจินังจึงแปลว่าสั่งสมอยู่เป็นวิเศษณ์ของพาโลอาจีนังเนี่ย ทนทานสั่งสมอยู่ซึ่งบาปทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปาทีนี้ลองแปลดูทีนี้ปุคโลใส่เข้ามาปุคโลปุขโลบุคคลมาอะวะมันเยทะไม่ควรดูหมิน่นไม่ควรดูหมิน่นอย่าดูหมินนั่นะเองอย่าดูหมินปาปัสะซึ่งบาป ว่ามัตังบาปอันเล็กน้อยณอาคมิตรสติจักไม่มาถึงอุทะกุมโพปิแมหม่อน้ำแมหม่อน้ำปูงรติย่อมเต็มอุทะพินทุนิปาเตนะด้วยยาดแห่งน้ำที่ตกลง ด้วยยาในน้ำที่ตกลงนะพาโลคนผานอาจินางสังสมอยู่โถกังโถกังปิแม้ซึ่งบาปทีละน้อยทีละน้อยปูงรติย่อมเต็มปาปัสะด้วยบาปเอาเขียนคำแปลดีกว่านานไปเดี๋ยวลำดับไม่ถูก <c oughs> ลําดับตอนไม่ถูกเขียนบุคคลไม่ควรดูหมิน่นบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเพียงเล็กน้อยคงไม่มาถึง บาปเพียงเล็กน้อยคงไม่มาถึงแม่หม้อน้ำแม่หม้อน้ำย่อมเต็มแม่หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาด ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาดฉันใ ด, นใดไม่มีในคาถาหรอกใส่เข้ามาพร้อมเป็นอุปมาอุปไมยฉันใดคนผ่า น, นคนผ่า น, นสังสมอยู่ซึ่งบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อย คนพานสั่งสมอยู่ซึ่งบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นกรอนไทยว่ายังไงนะอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยใช่ไหมว่าสิอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจานวนน้อยว่าไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชน ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาสมาจําพันธเทศเข้ามา <laughs> จะจดเหรอเอา้าจดก็จดได้เอาจดคำคลอนไทยนี่แหละอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าไม่ต้อยตามต้องสนองผลว่าไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ําเปิดหงายรับสายชนแม้ตุ่มน้ําเปิดหงายรับสายชน ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาใครเขียนไม่ทันบอกเอาทวนก่อนอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจํานวนน้อยว่าไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชน ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมามใครแต่งก็ไม่รู้ใช่เช่นทำผิดเ ล, เล็กๆในน้อยมีคนไปทักท้วงว่ากล่าวตักเตือนอุ้ยท่านะทําทำมันไม่ดีไม่งามอุ้ยไปกลัวอะไรแค่นี้เองนิดหน่อยเองอฟังนิทานก่อนที่มาของคาถา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เมืองสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งบริหารบริขารไม่เป็นเช่นบิณฑบาตกลับม า, ามก็ทิ้งบาตเอาไว้ไม่ล้างไม่เช็ดให้แห้งซึ่งบาตเนี่ยนะ เวลารักษาบาดเนี่ยมไม่ใช่ง่ายๆนะอะไรท่านยังไม่จบอีกเลยดูกันเอาก็ได้เอาเอาเอียงให้ดูไม่ต้องว่ากันได้ <c oughs> มัวแต่ต้อย ต, อ ย, ตอยอยู่เวลาใช้บาดเนี่ยนะอย่างเช่นบินบาดมาแล้วบาดจะเปื้อนหรือไม่เปื้อนก็ช่างล้าง แต่ถ้ามาสังเกตเห็นบางรูปอะ่ะเวลาทุกวันนี้บิณฑบาตโยมส่วนมากเขาไม่ใส่เขาจะใส่ถุงพระสติก่อนมันไม่ค่อยเปื้อนหรอกใส่ในบาทบาตรก็ไม่เลอะเอาของออกหมดแล้วบาตรยังใหม่ไม่ค่อยล้างแต่ว่ากลิ่นกลิ่นอาหารมันยังติดอยู่ถ้าเก็บบาตรไว้เลยตื่นเช้าวันไปเปิดเหม็นหึงเลยต้องล้างทีนี้วิธีล้างเช็ดบาตรอย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายนะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ย ต้องเช็ดด้วยผ้าเปียกหรือผ้าชุ่มหนึ่งครั้งก่อนแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกทีหนึ่งจะใช้ผ้าแห้งมาเช็ดเลยไม่ล่นะเราต้องใช้ผ้าชุ่มน้ําเช็ดก่อนซับน้ําก่อนแล้วค่อยเอาผ้าผ้าแห้งมาม า, มาเช็ดซ้ําให้แห้งสนิทเมื่อเช็ดแห้งแล้วเนี่ยอย่าปิดฝาเก็บเลยต้องตั้งพึงแดดลมนะต้องตั้งพึงแดดพึงลมก่อนแม้เราจะเช็ดดีแล้วก็จริงแต่มันยังไม่แห้งสนิทถ้าเราปิดไปเลยมันก็จะเหม็นอับ นะ่ต้องเปิดให้ผึ่งลมก่อนเมื่อผึ่งไว้แล้วต้องใส่ใจอยู่เสมอว่าเมื่อบาดแห้งแล้วจะรีบเก็บตั้งแต่เวลาพึ่งนะนะต้องตั้งใจอยู่เสมอว่าเมื่อบาดแห้งแล้วจะรีบเก็บแต่ถ oh. ้าผึ่งเอาไว้นู่นอุ้งเช้าอีกวันหนึ่งค่อยเก็บอย่างนี้ไม่ได้ปรับอบัตทุกกฎครับฮเห็นบ่อยใช่ไหมเอาไปว่าเก่าวตักเตือนครับอย ก็ล้างน้งําไงเมื่อล้างเสร็จแล้วมันมีน้ําติดเดี๋ยวก็เช็ดด้วยผ้าชุ่มก่อนแล้วค่อยเช็ดด้วยผ้าแห้งเช็ดสองสองครั้งฮะสมัยก่อนเนี่ยบาดเนี่ยมันมีบาดสองชนิดมีบาดเหล็กกับบาดดินที่ผู้เจ้าอนุญาตให้ใช้อะถ้าบาดเหล็กบาดสแตนเลสทุกวันเนี่ยไม่ยากหรอกแค่ตะแคงน้ำไหลเกี้ยงเลยแห้งสนิทเลยยิ่งเช็ด ดีๆล้างดีๆขัดน้ำมันซะหน่อยนะน้ำไม่เกาะแต่บาดดินไม่ใช่บาดดินเนี่ยเวลาเราล้างน้ําแล้วก็เหมือนกับเอามอดินมาล้างน้ําอะน้ามันยังเต็มอยู่นะน้ามันเข้าเนื้อด้วยนั่นจะใช้ผ้าแห้งเช็ดเลยเนี่ยมันก็ไม่แห้งมันไม่ซับน้ําต้องเอาใช้ผ้าชุ่มเนี่ยเช็ดให้มันซับน้ําออกให้หมดซะกอ่อนเราค่อยใช้ผ้าใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ําแล้วก็ตั้งพึง ถ้ามีแดดก็พึงแดดไม่มีแดดก็ตั้งเปิดหงายพึ่งเอาไว้พอแห้งแล้วต้องรีบเก็บถ้าไม่เก็บต้องอาบัดก็บริก็คือไม่ใส่ใจบริขารเลยคาว่าอาทิตฐานบริขารคือใส่ใจในบริขารทุกวี่ทุกวันมีพิสูกรูปหนึ่งเนี่ยบิณทบาดมาแล้วก็ตั้งบาททิ้งเอาไว้ไปตั้งตากแดดก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนู่นฝนตกหรือไม่ก็ค่ามืด กว่าบาทจะเปียกกลัวบาทจะเสียค่อยไปเก็บมาทั้งทั้งที่บาทมันแห้งนานแล้วนะบางรูปเอาเตียงเอาตังเอาเก้าอี้ของกลางสงไปตั้งนอกกุฏินอกวิหารพอหนีไปก็หนีไ ป, ไ, ปไม่เก็บไม่เก็บเองไม่ขอไม่สั่งไม่บอกให้ภิกษุอื่นหรือสามเณรช่วยเก็บให้ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นภิกษุรูปนี้เป็นแบบนั้น พอว่งวางๆหน่อยก็ยกเก้าอี้ไปนั่งนั่งตามร่มไม้บ้างนั่งผิงแดดมัง่งพอนั่งเลิกนั่งแล้วก็ลุกหนีไปไม่เก็บวันแล้ววันเล่าพิษสุทั้งหลายก็เลยว่ากล่าวตักเตือนบว่าท่านเอาเก้าอี้ไปนั่งทําไมไม่เก็บบ้างให้คนอื่นมาเก็บไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่เหมาะท่านก็อ้างอย่างเนี้ยอุ้ยทันเนี่ยผมทําแค่นี้มาว่าอยู่ได้เล็กๆน้อยๆเองไม่เห็นจะต้องเสียหายอะไรเลยเก้าอี้มันก็ไม่ใช่ดีนักหนาด้วย ว่าอย่างนี้เป็นประจาประจําภิกษุทั้งหลายทนไม่ไหวไม่มีใครว่ากล่าวตักเตือนได้จึงนําความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยรับสั่งเรียกให้ภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าถามว่าเธอทําอย่างเขาว่าไหมภิกษุรูปนั้นแทนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นจริงไม่ใช่พระพุทธองค์ก็อย่าจําจี้จูจี้หยกจิกมากสิ่าเนา่น <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายเลยแค่ไม่เก็บเขาอี้เขาอี้ก็ยังไม่ไม่ผุไม่พังด้วยแล้วเ้าอี้นั้นก็ไม่ใช่ของมีราคามากมายนะักวางตรงไหนก็ได้พระเจ้าตรียินโอภิกษุรลกนี้ก็ด้างว่ากล่าวตักเตือนดีๆก็ทำเป็นโกรธขึงขังแทนที่จะยอมรับน้อมรับด้วยเสียก้าวมีคนว่ากล่าวตักเตือนเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้ไม่คิดกับถกเถียงคัดค้านว่าอะไรบาปเล็กๆน้อยๆ แค่นี้ไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรมากเลยดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสคาถาเนี่ว่าภิกษุอย่าดูหมิ่นว่าบาปนั้นเล็กๆน้อยๆถ้าบาปยังไม่ตอบสนองยังไม่ส่งผลก็เหมือนกับว่าบาปทัานนี้นน ย, ยังไม่มีเหมือนทําบาปแล้วไม่ได้บาปถ้าสะสมไปสะสมไปสะสมไปทีละน้อยทีลน้อยบาปก็พอกคูนขึ้นพอกคูนขึ้นมากขึ้นเมื่อบาปส่งผลเมื่อไหร่นั่นนะถึงจะรู้ว่ามีบาปจริง พวกเราก็เหมือนกันย่าดูมินบาลีจำนวนน้อย อ, <laughs> อะไรคำเดียวคำเดียวสั่งเทิงคำเดียวเองจริงๆถ้าได้มันก็ได้ไปแล้วตั้งแต่เรียนมานี่เกือบร้อยวันแล้วเนี่ยนะถ้าวันละคำวันละคําได้ร้อยคำแล้วป่านนี้ถ้าร้อยคำมาเทียบกับเพื่อนนะเธอได้บาลีกี่คำแล้วว่าได้ร้อยคำโอ้โหเลยพวกกนะันไม่ได้เยอะจัง <laughs> นั่นก็เปิดไงเอาไว้สิเปิดหนังสือไงายเอาไว้ก <c oughs> ้นรั่ว <c oughs> เหรือถ้าปากไม่ล้นถ้าก้นไม่รั่วอะไรนะครับว่าเกิดเป็นคนก้คนให้ทั่วถ้าปากไม่ล้นถ้าก้นไม่รั่วอะไรก็ครับคุณอาจารย์คนนี้ทำไมไม่เป็นอาอาจินันโตเอ้าอาจินันโตไม่มีใช้ครับคัดฉังไงครับ เหมือนกันคัดฉันตาที่คณนะเป็นคัดฉังครับถ้าเป็นอาจินันโตใส่คาถาแล้วจะไปอยู่ตรงไหนนะคณะฉันก็ไม่ได้ล้นบาทอีกดังนั้นพอพุรูเจ้าตรัสคาถานี้นะภิกษุรูปนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยเทวดาที่มาฟังทำุรูเจ้าเนี่ยพากันบนรรลุแทนก็เหมือนกันเนี่ยสอนบาลีมาทั้งมากนักเรียนไม่รู้เทวดารู้ <c oughs> ไม่เสียใจเทวดารู้สงสัยถามหมดแล้วข้อนี้จบแค่นี้แหละมีานทานสั้นๆ <C ười> ไม่สงสัยจะต่อนะต่ออีกสักหน่อยปัเจเวามาจากอะไรครับปัเจเวคติครับม า, ามาจากปฏิบทนา้าอิข า, าธาตุครับ ปฏิบน้าอิขธาตุปฏิเอาปฏิอุปัสสัตตปฏิตัวไหนอ่ะเอาเอาออ๋อน่ะตัวไหนเอาสองตัวไม่ได้ครับปฏิมันมีตัวเดียวอ่ะตัวเต่าครับตัวเดิมคือตัเต่าถ้าอยากให้เป็นตอประตักตองอาเทศเอาปฏิอิขธาตุอิขทัศเนในการเห็น ปฏิบทหน้าไปว่าเห็นเฉพาะเฉพาะจึงแปลว่าพิจารณาเห็นปฏิอิคะแล้วปติโดยที่มีสระอีอยู่หลังเนี่ยให้เทศติเป็นจะตามวิธีสนธิแล้วก็สอนจะก็จะเป็นปัจจะแล้วปฏิเป็นปัจจะแล้วก็อีเนี่ยมีการวุทินะเป็นเอได้ก็เลยเป็นปัจจเวกไม่เป็นปัจจวิกทีนี้วะเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมวะเนี่ยเป็นวะอาคมเท่านั้น ไม่ใช่อีเป็นวะอีเป็นเอลงวะอาคมมันก็คือถ้าไม่ลงวะคมม็จะกลายไปเป็นปัจเจกคติปัจเจกคติถ้าไม่ลงวะอาคมดังนั้นลงวะคมก็เลยอ่านว่าปัจจะเวกไม่เพราะปัจเจคติ <c oughs> ไม่มีใช้บาลีมีแต่ปัจจจเวกคติแต่ว่าพิจารณา อว่ามันเยถานี่อะไรธาตุอะไรเอาว่ามันเยถะฮะเอาว่ามันเยถาธาตุอะไรอ้าวไม่ปปรทราบแล้วเอาว่าบทหน้าถูกต้องไม่ใช่อัญญามานะธาตุมานะมานะมาธาตุบางอาจา ร, รย์บอกวามาธาตุบางอาจา ร, รย์บอกว่ามานะธาตุ ถ้ามาท่าก็ลงนาปัจจัยแล้วก็จะเป็นมานะพอเป็นมานะแล้วเนี่ยลงยะปัจจัยนะก็จะอธธาเทศนยะเนี่ยเป็นยะแล้วก็สอนยะพอมียะยะเป็นสังโยกอาก็เลยวุตลักษะเป็นอะมานยะก็เลยเป็นมันยะถ้ามานะเฉยเนี่ยแปลว่าอัรู้ ถ้าอวะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแปลว่าลงต่ำก็ปแปลว่ารู้ลงต่ำเขาว่ารู้ลงต่ำก็เลยกลายแปลว่าดูถูกดูมิน